จะพูดตรัจะใช้ประโยคไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบาลีนี้สามารถแปลได้หลายอย่างคือแต่ละอย่างก็ไม่ผิดอะไรนะอัตุลังแปลว่าช่างไม่ได้นะพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่ช่างไม่ได้คือเกินที่จะช่างไม่รู้เอาแตเอาแตช่างไหนมาช่างนะเพราะว่าใน ปฐมมธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่พระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาชั่งพระองค์เองก็ไม่มีอัตุลังเนี่ยสัมมาสัมพุทธมตุลังอะไรในคาถาอะไรใครเรียนอริธรรมมสังคหะมาก็ใครที่เป็นนักอริธรรมทั้งหลายโดยมากจะท่องคาถานี้ไดสมมส้สัมมาสัมพัททุมอ่าสัมมาสัมพุทธมตุลังเนี่ยนะในคาถาในคาถาแรกของคาถาอะไรนะของคำภีร์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 พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองจิตตะแล้วก็ทํายมกะปาติหาริข่มมานะของพวกเดรธีนคะนต้นจำปาจำปามันน่าจะต้นเดียวกันกับต้นอะไรต้นจำปาก็จำปาลาว์อะนะครับบนั้นเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงทํายมกะปาติหารที่คนต้นคันดามะพฤกคนามะพฤกเนี่ยจริงๆหมายถึงต้นมะม่วงที่นายคันด่าเขาปลูกเอาไว้ก็เลยเรียกว่าต้นคันดามะพฤกนะ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 พระราชาพระองค์นี้ก็หมดความบันเทิงก็แปลว่าเศร้าใจเครียดเลยก็สอบถามพวกพราหมณ์ว่าจักรรัตนานี้บังเกิดเพราะบุญของเราเหตุไฉนจึงขยื่อนจากฐานสมัยนั้นพราหมณ์เหล่านั้นก็พยากรณ์ถึงเหตุที่จักรรัตน์ขยื่อนแด่พระราชาว่าจักรรัตน์นี้จะขยื่อนเคลื่อนจากฐานเพราะหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิจะหมดพระชนมายุแปลว่าอีกเจ็วันตายแน่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 แต่พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกด้วยเหตุนั้นจั ก, กรรัตนะของพระองค์จึงขยื่นเคลื่อนจากที่นะพระเจ้าสุทัศพระเจ้าสุนันทจักรพรรดิราช พ, พร้อมด้วยราชชาบริษัทก็ทรงไหว้จั ก, กรรัตนนั้นด้วยเสียงกล่าวทรงวอนขอว่าตราบใดเราจาักสักการะพระทศพลพระมงคลทศพลด้วยอนุภาพของท่านขอท่านอย่าเพิ่งอันตรธานไป ตราบนั้นตราบนั้นด้วยเถิดมันจะเอาจักเนี่แหละบูชาว่างั้นอย่าเพิ่งหายไปไหนนะรอหน่อยรอให้ทําบุญหน่อยแล้วกันจักรัตนะนั้นก็ตั้งอยู่ตามเดิมนั่นแหละจากนั้นพระเจ้าสุนันทจักรพัตติราชสมัยพระพุทธเจ้าข้างหน้าองค์ต่อไปเดี๋ยนะจะมีพระจักรพรรดิเกิดขึ้นเหมือนกันสมัยพระพุทธเจ้าเมตยะมีพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่าพระเจ้าสังขะเนี่ยนะพระเจ้าสังขะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้านะ นี่ก็เหมือนกันสุนันทจักพัทผู้มีความบันเทิงพระหาฤทัยพรั่งพร้อมมีบริษัทโดยมณฑลโดยรอบประมาณ3 6โยดแวดล้อมแต่เรียกว่าคนแห่แหนไปเฝ้าุูธเจ้าเนี่ยเยอะมากนะเนี่ยยิ่งอราไปเดินขบวนเยอะก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระมงคลทศพลผู้เป็นมงคลของลูกพระราชาก็อังคาดระษาสดาคือถวายปัจจัย4ี่แดพระษาสดาพร้อมทั้ง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 แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระมงคลพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวงพระองค์คือพระเจ้าสุนันทจาจักรพัทก็ทําอัญชลีเรียกว่าดอกดอกอะไรนะยกมือ10นิ้วอันรุ่งเรืองเหมือนช่อบัวอันไร้มนทินนะบางคนเนี่ยวายเหมือนกับดอกบัวเฉาดอกบัวดอกบัวอะไรนะว้ก็วาให้มันเหมือนดอกบัวตูมเนะี่ยเหมือนดอกบัวบัวบานบานแล้วดอกบัวโรยเนี่ยนะ โรยหน้าโรยหลังเรื่อ ย, อยนะก็ว่าให้มันเหมือนกับว่ายหกเหมือนดอกโบตูมเหมือนกันอันรุ่งเรืองด้วยท่าสะหสะโมทาน น, นะนะสินิ้วประชุมกันอันรุ่งเรืองเนื้อเสียงกล้าวถวายบังคมแล้วประทับนั่งหนะ้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแม้พระรโชรสของพระองค์นามพระนามว่าอนุราชคุมารก็ประทับนั่งอย่างนั้นเหมือนกันคือพระราชาก็ไป คณนะราชกุมารของพระองค์ก็ไปท่านอนุราอนุราชากุมาร น, นี้แสดงว่าเป็นปรินายกของพระราชาครั้งนั้นพระผู้มีรพระภาคเจ้าก็ตรัสอนุปุพิกถาแสดงทำตามลําดับทานศีล ส, สวรรค์แล้วก็โทษของกามประกาศอริยสัจซึ่งมีพระเจ้าสุสนันทจักรพัฒน์เป็นประธานพระเจ้าสุนันทาจักรพัฒด์พร้อมทั้งบริษัทธบรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี โอ้มีบุญจังเลยนะแสดงว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้เพียบพร้อมนี้เป็นผลของบุญทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างที่เราสวดบุญญาณิธิใช่ไหยสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารักปฏิสัมพิทาสีปฏิสัมพิท า, าวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยบุญญาณิธิเหล่านั้นมันก็บุญญาณิธิผู้ที่สั่งสมบุญมาเนี่ยดียิ้มรับอย่างเดียวว่งั้น แต่ถ้าผลบาปอย่ามาเลยเนี่เครียดได้ยินปับ๊บเครียดเลยนะถ้าผลบาปนะถ้าผลบุญเนี่ยเติมเลยนะแหมมาเร็วๆหน่อยนะอย่างเงี้นนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุนันทาจากาักพัทก็บรรลุผ้าหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสี่ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงสํารวจปุพพเจริยาความปรารถนาแต่เก่าก่อนของชนเหล่านั้นเห็นอุปนิสัยแห่งบาจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธ ว่าคือเคยถวายบริขารสัมมณะบริขาร8มาเมื่ออดีตเคยถวายสัมณะบริขาร8ดมาก็มีอุปนิสัยที่จะบวช ด, ด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาเพราะนั้นพระองค์ก็เลยเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาที่ประดับด้วยตาข่ายลายจักคือพระพุทธเจ้านีมีฝ่ามือเป็นคล้ายลายลายจักเนี่ยนะลายจักพระองค์ก็ตรัสว่าพวกนะพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด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 นะก็แค่ดูรัสมี36โยต์เนี่ยคนจะไปมากขนาดไหนเล่ากันมาว่าในครั้งนั้นเมื่อพระมังคละโล ก, กนาฏประทับอยู่ณเมฆละบุรีเมืองเมฆลานี่นะในคนครนั้นนั่นแหลสุเทวะมานพและธรรมเสนามานพมีมานพพันหนึ่งเป็นบริวารพากันบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบันปชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นแสดงว่าอดีตท่านเหล่านี้ถวายสมณะบริขารมาเป็นอย่างดีก็เลยบวชได้ด้วยเอหิพิคุเมื่อคู่พระัคราสาวกพร้อมบริวารบรรลุพระอรหันต์ในวันเพ็ญเดือนมาคะพระาศาสดาสรงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในถามกลางภิกษุแสนโกดนี้เป็นสาวกสันิบาตการประชุมสาวกครั้งแรกสรงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในประชุมชนของบรรตาชิตในสมาคมญาติอันยอดเยี่ยมนะ อุตรารามอีกก็แสดงว่าตอนนั้นพระงค์หลังจากแสดงพุทธวงศ์พระญาติก็ออกบวชมากมายก็มีการตรัสรู้ธรรมก็เมื่อญาติเหล่านั้นที่บวชเป็นเอหิภิกขุก็แสดงโอวาทปาติโมกข์อีกนี้เป็นสาวกสนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในท่ามกลางภิกษุ9ก้าหมื่นโกรธในสมาคมคณะภิกษุพระเจ้าสุนันทจกกักรพัฒน์นี้เป็นการ ประชุมสาวกสันนิบาตครั้งที่สาด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระมังคละพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีการประชุมสามครั้งครั้งที่หนึ่งประชุมภิกษุแสนโกดครั้งที่สองประชุมภิกษุแสนโกดครั้งที่สาประชุมภิกษุ90โกดครั้งนั้นเป็นการประชุมภิกษุขีณาศพผู้ไร้มนถินบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา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 ทั้งประเภทอักษรศาสตร์ชำนาญร้อยกรองชำนาญร้อยแก้วแปลว่าพูดเป็นกาบเป็นโครงเป็นกรอนพูดยังไงพูดได้หมดเลยเชี่ยวชาญทั้งโลกาอตศาสตร์และมหาปริศลักษณศาสตร์ก็คือคมภีรสายอักษรศาสตร์สายเหล่านี้ท่านจบหมดทุกวิช า, าสายกลุ่มสายอักษรศาสตร์กลมกล่มพวกต้นไม้ใบหญ้าพฤกษชาติพวกเวทมนต์คาถากลุ่มทั้งหมดเรล่านั้นท่านแตกฉานมากจบวิชาเหล่านั้นหมดเลย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 สุรุจิพรามก็นิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ปโปรดทรงรับอาหารของข้าพระองค์พร้อมกับภิกษุทุกรูปพระเจ้าข้าว่ามีศรัทธามากเลยนะภาษาสดาก็รับนิมนต์พรามเนี่ยนะครั้นนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อสเสวยในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กลับบ้านไปนะกลับไปบ้านตนคิดว่าจำนวนภิกษุถึงเท่านี้ เราก็สามารถวาาถวายข้าวต้มถวายข้าวสวยถวายผ้าได้แต่สถานที่ที่จะจนิมนต์พระภิกสุสง์มีพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยท่านจะทําอย่างไรคิดไม่ตกเหมือนกันจะหาที่นั่งมานั่งให้ท่านนั่งตรงไหนเนี่ยก็เลยคิดนะความคิดของท่านพราหมณ์ก็ร้อนไปถึงพระแท่นบรรดุ ก, กรรมพลศิลาอาัตคือที่นั่งของพระเท้ทททาส ก, ก่าหรือพระอินเนี่ยนะ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 ก็เล็งเห็นทิพพระเนตรตรวจ ด, ดูมนุษยโลกเนี่ยเล็งทิพพระเนตรก็เห็นพระมหาบุรุษคือเห็นพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าพระมหาสัตว์ผู้นี้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานคิดถึงเรื่องสถานที่ภิกษุสงฆ์นั้นอาจจะนั่งแม้เราก็จะควรไปในที่นั้นแล้วรับส่วนบุญเรียกว่าขอแบ่งบุญมาด้วยก็ลเลยปลอมตัวเป็นนายช่างเรียกว่าพลิกเรียกว่าแปลงตัวเป็นช่างไม้ถือมีดและขวานปรากฏ ต, ตัวต่อหน้าพระมหาบุรุษกล่าวว่า พระมหาบรุษเห็นก็ถามว่ า, าไปถึงก็ถามว่าใครเนาะมีกิจที่จะจ้างเราทํางานบ้างนะกลายเป็นช่างกันเลยนะอ๋อพี่สามีสิวมีขวานมีมืดหอบพรุงพรังมาเลยพระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็ถามว่าท่านสามารถทํางานของเราได้หรือเขาก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะที่เราไม่รู้ไม่มีผู้ใดประสงค์จะให้ทําสิ่งไรๆไม่ว่าจะเป็นมนต์ดบปราศาทหรือนิเวศ เป็นต้นไรๆอื่นเราก็สามารถทําได้ทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามีงานพระอินทร์ก็ถามว่างานอะไรเล่านายท่านพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรานิมนภิกษุสง์จํานวนแสนโกดเพื่อฉันอาหารในวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องสร้างมนดบสําหรับพิกษุเหล่านั้นนั่ง น, นะเขาก็บอกว่าได้สิเพระคุณก็รับว่าสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นท่านก็ถ้าอย่างนั้นเราจะทําแล้วก็ตรวจ ด, ดูภูมิประเทศแห่งเอง ภูมิประเทศเหล่านั้นประมาณส2บสองโยตศก็มีพื้นเรียบเป็นเหมือนกับวงกสินหน้าเรื่นรมเป็นเหมือนลานนวดเข้าขึ้นมาทันทีเลยนะแกเรียกว่าปรับที่แป๊บเดียวเนี่ยใ ช, ใช้สายตาปรับที่เรียบร้อยแล้ว <đang> คนมีบุญเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเขาก็คิดต่อไปอีกว่ามนดบที่เห็นเป็นแก่นไม้สำเร็จด้วยรัตนะเจ็ประการจงผุดขึ้นแสดงว่าเนรมิต ด, ด้วยสายตาเป็นหลักเลยนะณที่นั้นประมาณเท่านี้ ก็คิดดูนะคนโกรธเนี่ยตายัางแดงต่ำเลยถ้าคนมีบุญคิดเนี่ยทำไมจะสําเร็จไม่ได้ใช่ไหมก็ตรวจดูมณดบก็แชมปแรกพื้นผุดโผล่ขึ้นเสมือนมณดบจริงนะมณดบนั้นมีหม้อเงินอยู่ที่เสา อ, อยู่ที่เสาทองมีหม้อทองอยู่ที่เสาเงินมีหม้อแก้วประพานอยู่ที่เสาแก้วมณีมีหม้อแก้วมณีอยู่ที่เสาแก้วประพานมีหม้อรัตนเจ็ดอยู่ที่เสารัตนเจ็ดต่อจากนั้นเขาก็ตรวจดูว่าขายกระดิ่ง จงห้อยระหว่างระยะของมอนดกพร้อมทั้งการตรวจดูคายกระดิ่งก็ห้อยเมื่อต้องการลมผ่านอ่อนๆเรียกว่าลมแผ่วลมอ่อนๆก็เป่งเสียงไพเราะน่ารื่นรมอย่างยิ่งเหมือนอย่างดนตรีเรียกว่าดนตรีมีองค์หได้เป็นเหมือนเวลาบรรเลงทิพสังคีตะดนตรีทิพเขาคิดว่าพวงของหอมพวงดอกไม้พวงใบไม้และพวงรัตนะของทิพเจ็จงห้อยลงเป็นระยะระยะพร้อมกับคิด ควงทั้งหลายก็ห้อยอนนเครื่องลาดมีค่าเป็นมีค่าเป็นของกัปติยะและเครื่องรองทั้งหลายสำหรับภิสุจําำนวนแสนกกรธก็ชแรกแผ่นดินผุดโผล่ขึ้นในทันใดของดังกล่าวก็ผุดขึ้นเนนะเขาคิดว่าหม้อน้าจงตั้งอยู่ทุกๆมุมมุมละหม้อทันใดนั่ น, น, นเองหม้อน้ำทั้งหลายเต็มด้วยน้ำสะอาดและหอมเป็นกัปิยะมีรสอร่อยเย็นอย่างยิ่ง มีปากปิดด้วยใบยตองก็ตั้งขึ้นใช้ใบกล้วยเนี่ยปิดนะนีท้าสหัสไนนั้นอ่ะทรงเนรมิตสิ่งของมีประมาณเท่านี้แล้วก็เข้าไปหาพราหม์ว่านายท่านมานี่แนะ่ท่านเห็นมนดกของท่านแล้วโปรดให้ค่าจ้างแกเราสิพระโพธิสัตว์ตรวจดูมนดกเมื่อเห็นมนดกนั้นก็สรีระก็ถูกปีติทั้งห้าถูกต้องแพร่ซ่านไม่ได้ว่างเว้นเลยเรียกว่าปีติดีใจมากนะโอ๊ยสมใจนึกหมดเลย ครั้งนั้นพระมหาสัตว์เมื่อแลเห็นก็คิดอย่างนี้ว่ามนตดบนี้ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์สร้างอาศัยอัธยาศัยของเราอาศัยคุณของเราจึงร้อนถึงพบของเท้าส ก, กะเทวราชคิดออกเลยว่าเทวดามาช่วยต่อจากนั้นเท้าส ก, กะจอมถวยเทพก็เนรมิตมนตดบนี้แน่แล้วคิดได้เลยว่าเท้าสกตะมาเนรมิตให้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าการจะถวายทานวันเดียวในมนตดบเห็นป่านี้ไม่สมควรแก่เรา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 ยกตัวอย่างในศีวิราชาดกเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราสละทรัพย์วัน ล, ละห้า0 0 0กาหาปณะทุกๆวันให้ทานห้าแห่งท่ามกลางนครหนึ่งแห่งที่ประตูเมืองอีกสแห่งทานนั้นก็ไม่อาจให้เกิดความพอใจในจาคะะได้เลยให้ก็ใครว่า ก, ก็ก็ปีเตียนนะแต่ว่ามันไม่อิ่มใจพอที่จะปลื้มยิ้มแป้อะไรแต่ว่าต่อเมื่อสมัยใดเท้าสั ก, กะ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 อันนั้นถึงจะให้ของหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม อ, อกอิ่มใจจริงร้อกวนะ่า้นเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษพระองค์นั้นก็เลยคิดต่อไปว่าควรเราจะถวายทานแก่ภิกษุจำนวนแสนโกดจึงให้ภิกษุเหล่านั้นนั่งณนะมณดบนั้นแล้วก็ถวายทานชื่อว่าขวะปานะขนมแป้งผสมนมโคผสมนมโคในเจ็ดวันโพชนะที่เขาบรรจุหม้อขนาดให ญ, ใหญ่ให้เต็มด้วยน้านมโคแล้วก็โยกขึ้นตั้งบนเตา ข้าวสารทีละน้อยทีละน้อยลงนะคอือเรียกว่าค่อยใส่ใส่ข้าวสารทีละน้อยทีละน้อยลงในน้ํานมที่สุกโดยเคี่ยวจนจนข้นแล้วก็ปรุงด้วยน้ําพึ่งคลุกด้วยน้ําตาลกรวดละเอียดแล้วก็เนยใสเข้าด้วยกันเรียกว่าขาวะปานะเป็นวิธีทำอาหารอีกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในบาลีกล่าวว่าขวะปานะนี่แหละเรียกว่าโภชนะอร่อยมีรสสี่อย่างอานนะอร่อยมากมีรสอะไรบ้าง รสนมรสอะไรอีกรสรสน้ำตาลกรวดรสเนยเนี่ย น, นะมีข้าวมีนมมีเนยแล้วก็มีน้ำตาล4าี่อย่างเขาบอกว่าแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจอังคาาได้ไมุ่ษ้จะไปประเคนยังไงนะพี่สุ <med S 2> ตั้งแสนโกรธมนุษย์ไม่รู้จะเดินเข้าช่องไหนไปประเคนของแม้แต่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในช่องว่างหนึ่งพอจะอังคาาได้ทเทวดาเท่านั้น salsa, แหละพอจะประเคนได้เหมน เพราะฉะนั้นสถานที่นั้นแม้ขนาด12โยอก็ยังไม่พอรับภิกษุเหล่านั้นได้เลยแต่ภิกษุเหล่านั้นนั่งโดยอนุภาพของตนของตนสถานที่ตรงนั้นจุพระไม่พอนะจึงพระมากกว่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์ของพระท่านก็สามารถย่อหรือขยายมนตดบให้นั่งได้พอดีสบายๆกันนะเทวดาเท่านั้นแหละจึงจะช่วยเข้าไปประเคนของได้ วันสุดท้ายพระมหาบุรุษให้เขาล้างบาทภิกษุทุกรูปบรรจุด้วยเนยไสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำข้ยเป็นต้นได้ถวายพร้อมด้วยไตรจีวรผ้าจีวรที่พิกษุนวคกศที่ได้แล้วนั้นมีเป็นของมีค่านับแสนขนาดว่าองค์สุดท้ายในจำนวนแสนโกรธเนี่ยผ้าของท่านยังมีราคานับแสนจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระถวายพระพุทธเจ้าควรจะมีราคาเท่าไหร่ ครั้งนั้นพระศาสดาเมื่อทรงทำอนุโมทนาทรงไข้ครวญดูว่าพระมหาบุรุษผู้ได้ถวายมหาทานเห็นป่านนี้เขาจะเป็นใครกันหนอคือแท้จริงของเข า, าเขาคือใครก็ทรงเล็งเห็นด้วยสัพพัญยุตยานว่าในอนาค ต, ตการเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในที่สุดหลังจากนี้ไปสองอสงไขยกาไรเศรอีกแสนกับจากนั้นก็เลยเรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วพยากรว่า ล่วงการประมาณเท่านี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนาว่าโคตมะลําดับนั้นท่ามหาบุรุษสดับคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหัวใจปลาปลืม้มคิดว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องการอยู่ครองเรือนนะจึงสละราชสมบัติสละสมบัติเห็นปานนั้นเสมือนก้อนน้ําลายนะเหมือนอย่างว่าคน ถ่มน้ำลายออกไปไม่อะไราฉันใดมองเห็นสมบัติที่มีอยู่ก็ฉันนั้นบวชในสำนักของพระศ า, าสดาเรียนพระพุทธว จ, จะนะทรงพระไตรปิฎกยังอภิน ญ, ญาและสมาบัตแ8ให้บังเกิดมีฌานไม่เสื่อมดำรงอยู่ตลอดอายุที่สุดอายุแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกในทรงพระไตรปิฎกชาติที่สอง เพราะฉะนั้นพระองค์เล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุรุจิเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมลจบไตรเพศเราเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถึงพระองค์เป็นสารณะแล้วบูชาพระสงค์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของหอมและดอกไม้ครั้นบูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วก็เลี้ยงให้อิ่มห น, นำสำราญด้วยขนมขวะปานะ พระมงคลพุทธเจ้าผู้ทราางเป็นยอดของสัตว์สองเท้าแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ า, าในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้ว่าโดยจํานวนกับนับไม่ได้ถ้าว่าโดยอสงไขก็สองอางไขเศษอีกแสนกับตถาคตนั้นจะออกพิเนศสกรมจากกรุงกบิลพัทตั้งความเพียรรมทุกระกิริยาจวบจนอะไร น, นะเรื่องราวก็คล้ายๆกับหน้า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 เราเล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและนวังคัสตุศาสตร์ทั้งหมดคือคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์ก้าคือพระไตรปิฎกอย่างศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามเราอยู่ในพระศาสนานั้นอย่างไม่ประมาทเจริญพรหมหารภาวนาถึงฝั่งอภินยาก็เข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะส่วนพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละนั้นพระองค์มีนครชื่อว่า มีเมืองพี่เมืองเกิดนะอุตรานครพระชนกของพระองค์เป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอุตตราพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอุตราคู่อักระสาวกชื่อว่าพระสุเทวะและพระสุพระธรรมเสนะมีพุทธอุปถากชื่อว่าพระปาลิตะคู่อักขระสาวิกาชื่อว่าศีลวาและอโศกา ต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคะหรือต้นกากะถิ่งพระองค์มีพระศรีระสูง88ศอกพระชนมาายุ ข, ของพระองค์ประมาณ 90,000 ปีพระฉายาของพระองค์ชื่อว่ายาสาวดีพระโอรสชื่อว่าศีละวะเนะสด็จออกพิเนศกรมโดยยานขึ้นมาประทับณพระวิหารอุตตรารามอุปถาธชื่อว่าอุตระ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดำรงพระชนอยู่9ก้า0มื่นปีก็เสด็จดับขันทัปรินิพานพร้อมกับจุติจิตของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมื่นจั ก, กรวาลก็มืดลงพร้อมกันหมดโดยเหตุโดยเหตุอย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์ทุกจักรวาลก็พากัน ร, ร่ําให้ขาครวญ น, นะพากัน ร, ร้องให้ในหน้าสามกล่าวว่า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 พระผู้มีพระยศใหญ่พระองค์นั้นทรงชูประทีปรมยังมหาชนให้ข้ามโอขะสงสารแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานเหมือนดวงไฟลุกโล่แล้วก็ดับไปฉะนั้นพระองค์ครั้นทร ง, งแสดงความที่สังขารทั้งหลายเป็นสภาวะธรรม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 ที่ต้นโพนี่ก็น้ำตาซึมมาหน่อยๆแล้วเขาบากงั้นที่พาราณสีก็พอสมควรบอกว่าพอมาถึงกุสินาราก็เลยทำนบทลักเลยก็นี่น้ำตาเอออะไรางั้นเพราะอะไรพ่ออะไรแค่ว่าสังเวทใจนะคือปลื้มใจที่ได้มากราบมาไหว้แล้วก็เสียใจที่มาไม่ทันทั้งดีใจทั้งเสียใจเคล้าเคล้ากันไปเนี่ยนะมันก็พระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแล คือคำว่าเช่นนั้นหมายความว่าพราะองค์เกิดขึ้นมาในโลกเสร็จแล้วก็ปรินิพานเหมือนกองไฟใหญ่ที่ลุบโพลงแล้วก็ดับไปเหมือนดวงอาทิตย์ส่องสว่างสว่างเสร็จแล้วก็เดียวนะวันนี้ก็สว่างมากนะเอกไม่นานดวงอาทิตย์ก็จะอัสดงดับไปศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นบทว่าสุริโยอัฏฐานคตโยถาความว่าดวงอาทิตย์ซึ่งมีรศมีนับพัน กำจัดกลุ่มความมืดทั้งหมดและส่งสว่างหมดทั้งโลกยังถึงอัสดงคตฉันใดแม้พระมงคลพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์ผู้ทําความเย้มบานแก่เวนยสัตว์ผู้เป็นเหมือนดังดงบัวทรงกําจัดความมืดในโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทุกอย่างทรงรุ่งเรืองด้วยพระศมีแห่งทัศรีระของพระองค์ก็ถึงความดํารงอยู่ไม่ได้ ฉันั้นเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารธรรมควรแล้วที่จะคลายกำนัดในสังขารธรรมควรแล้วที่จะเจริญโพธิปัจจะธรรมนำออกจากทภพโดยประการทั้งปวงการแสดงพุทธวง์ในอาทิตย์นี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะด้วยผลบุญที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันฟังพุทธวง์